จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตสัต์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24สิ่งหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันจนวาระที่พระพุทธเจ้าได้จเจดปารินิพานไปแล้ว ก่อนจ ะ, จะก่อนที่จะประติ น, นิพานพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงตัดบอกรพระพาอานน์นว่าอานอนท์เธออย่าเสียใจเพราะเราจะเพราะเราจะจากเธอไปเพราะว่าเธอจะได้มีโอกาสบรรลุเป็นพระอาหหนภายในเวลาสามเดือนหลังจากที่เราจากเธอไปแล้วนี่คือเป็นคำพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงพยากรณ์ให้กับพระอานนต์ และพอถึงเวลาครบสามเดือนพระอนนต์ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเพราะช่วงสามเดือนนั้นพระอนนต์ได้กลายเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพไปไม่มีธุระกิจไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาขัดเวลาของการปฏิบัติมีเวลาปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถปิกวิเวกไปอยู่คนเดียวได้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 มีผู้เชื่อมีศรัทธาเลื่อมใสนำเอาไปปฏิบัติจนได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจา้าได้ว่าทำไมถึงบรรลุเร็วกับบรรลุชา้าบรรลุเร็วเพราะปฏิบัติมากและปฏิบัติถูกก็จะบรรลุเร็วแต่ถ้าปฏิบัติน้อยหรือปฏิบัติไม่ถูกก็จะบรรลุชา้าหรือไม่บรรลุเลย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 เห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องขององคุลิมานได้ทาให้องคุลิมานกลับใจยุติการแข่งขัาผูนแล้วกลับเพราะว่าถ้าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเราก็จะพูดจะทำไม่ถูกต้องเมื่อพูดทำไม่ถูกต้องผลก็จะไม่ถูกต้องดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีคือความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้ได้มาจากใครก็ต้องได้มาจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้ความเห็นที่ถูกต้องนี้เองทรงเห็นอะไรที่เรียกว่าถูกต้อง ก, อก็คือทรงเห็นว่าบุญมีจริงผลจากการทำบุญคือสวรรค์และพระนิพพานมีจริง บาปมีจริงผลที่เกิดจากการทําบาปคืออบายและนรกก็มีจริงตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทําเอาไว้เพราะผู้ที่ทําและผู้รับผลไม่ใช่ร่างกายแต่เรามองไม่เห็นผู้ที่ทําและผู้ที่รับผลคือใจ ใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่เหมือนกับร่างกายที่เรามองเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าการที่จะเห็นมนุษย์ล่องหนคือใจคือตัวเรานี้เราต้องเห็นด้วยการปฏิบัติมากแบบนี้ดังนั้นเมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อ เชื่อในความตัดสุรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเหตุคือบุญและบาปที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อการเวียนว่ายตายเกิด และเชื่อการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากการทาตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนพระพุทธเจ้าสงสอนให้เราทําอะไรเพื่อให้เราจะได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ส่งสอนให้เราทําบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธ เพราะการทำบุญจะพาให้ไปสวรรค์การไม่ทำบาป ก, ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปนรกการชำระใจให้สะอาดก็จะเป็นการทำลายเชื้อของภพของภพชาติเชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิแล้ว เราก็จะมีสัมมาสังกโปแปลว่าความคิดที่ถูกต้องถ้าเรารู้แล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราก็จะคิดทาบุญคิดไม่ทำบาคิดชำระใจให้สะอาดชาระกิเลสตัณหา ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดพอเราคิดถูกต้องแล้วมีความคิดที่ถูกต้องเราก็จะมีการกระทำที่ถูกต้องตามมาเรียกว่าสัมมากรมมโตนี่เป็นองค์ประกอบที่สามองค์ประกอบแรกคือความเห็นที่ถูกต้ององค์ประกอบที่สองคือความคิดที่ถูกต้ององค์ประกอบที่สาม ก็คือการกระทําที่ถูกต้องเมื่อเราคิดทําบุญละบาปเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤตผิดโระเวณีไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆแล้วเราก็จะมีสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้องก็คือ จะละเว้นจากการพูดปดนั่นเองอย่างที่เมื่อกี้เราได้สมาทานศีเรียกว่าเรากำลังเจริญสัมมากรรมันโตกับสัมมาวาจาคือการกระทาที่ถูกต้องและการพูดที่ถูกต้องเพราะว่าการกระทาของเหล่านี้จะทำให้เกิดเหตุคือสุขหรือทุกข์นรกหรือสวรรค์นั่นเอง เมื่อเราไม่ทำบาปนรลกก็จะไม่เกิดขึ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทำแต่บุญเราก็จะไปสวรรค์ไปสู่นิพพานนี่คือสัมมาวาจาองค์ประกอบองค์ที่สี่พอเรามีองค์ประกอบองค์ที่สี่เราก็จะมีองค์ประกอบองค์ที่5คือสัมมาอาชิโว คือมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องเป็นยางไงก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นเราต้องละเว้นจากอาชีพที่ทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่หรืออาชีพที่จะ ทำให้เกิดการฆ่าขึ้นมาได้เช่นการขายสุรายาเมาเพราะเวลาคนดื่มสุราแล้วก็จะควบคุมสติไม่ได้เวลาเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทก็จะฆ่าผู้อื่นได้หรือเวลาขับรถไปก็จะอาจจะไปชนผู้อื่นให้ถึงแก่การเสียชีวิตได้ ดังนั้นอาชีพของการาขายสุราจึงถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกไม่ควรกระทำหรืออาชีพที่ขายสัตรวุธต่างๆเช่นมีดปืนสิ่งที่จะเอาไปฆ่าฟันผู้อื่นหรือพวกกับดักสัตว์ต่างๆที่จะเอาไปใช้ดักสัตว์เพื่อที่จะมา ทำลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่คืออาชีพที่ไม่ควรจะทำอาชีพที่ควรจะทำก็คืออาชีพที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่น<ม>เดือดร้อนหรือเสียหาย<ม>ถึงแก่ชีวิตเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นพ่อค้าขายของที่ไม่มีชีวิตอย่าขายของที่มีชีวิต หรืออยากหาสัตว์มาขายเป็นอาหารอย่างนี้นี่คือสัมมาอาชีวอาชีพถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาอาชีพแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีสัมมาวายาโมคือความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ก็เพียรทำบุญอยู่เรื่อยๆเพียรละบาปอยู่เรื่อยๆเพียรชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไปเรื่อยๆและให้หมดไปด้วยการทาข้อที่7ก็คือสัมมาสติเพราะว่าการที่จะชำระใจให้สะอาดการที่จะทําบุญละบาปได้จำเป็นจะต้องมีสติ เช่นถ้าไม่มีสติเมื่อคืนนี้ไปดื่มสุราตอนเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็ยังยังไม่ได้ตื่นเพราะยังหมดสติสลบสลายอยู่ก็เลยไม่ได้มาทำบุญไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแต่ถ้าไม่ดื่มสุราไม่มึนเมาเมื่อคืนนี้นอนแต่หัวค่ำ ตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวมาทำบุญมารักษาสิมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาวยาโมโ ม, มีความเพียรที่ถูกต้องมีการเพียรที่ถูกต้องได้ก็ต้องมีสัมมาสติก็คือต้องระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากาลัง จะทำอะไรหรือกำลังทำอะไรอยู่เรากำลังจะพูดหรือกำลังพูดอะไรอยู่ถ้าเราคิดไปในทางบาปเราก็หยุดคิดเสียถ้าเราพูดหรือกระทำไปในทางบาปเราก็หยุดเสียถ้าเรามีสติเราจะรู้และเราก็จะหยุดได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเช่นคนบุญเมาเวลาพูดอะไรก็ไม่รู้สึกตัว พูดจาหยาบคายพูดจาไม่น่าฟังก็ไม่รู้สึกตัวทำอะไรก็ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน mm hmm. เพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะมีสติ mm hmm. ก็ต้องอย่าไปดื่มสุรายาเมาแล้วต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆวิธีเจริญสติก็คือให้ บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นไปทําอะไรก็ท่องพุทธโธไปในใจท่องไปเรื่อยๆควบไปกับการกระทําต่างๆท่องพุทธโธไปในขณะที่เราลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ห้องน้ำไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว เราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ใจลอยไปที่อื่นอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจะทำให้ไม่มีสติแล้วจะควบคุมความคิดควบคุมการกระทาควบคุมการพูดไม่ได้เวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะทำไม่ดีพูดไม่ดี แล้วก็จะเกิดโทษเกิดความเสียหายตามมาแต่ถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆใจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ได้พูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้แล้วใจก็จะปราศจากอารมว่าวุ่นขุนมัวใจจะว่างจากความคิดต่างๆใจจะมีความเย็นมีความสงบมีความสบาย พอมีเวลาว่างก็มานั่งหลับตาท่องพุโทโธพุธโทโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากเงินทองเข้าของได้จากตำแหน่งได้จาก ได้จากการรับรางวีรางวัลการสรรเสริญยกย่องเยินยอหรือจากการได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆความสุขต่างๆเหล่านี้เมื่อเปรียบกับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะเป็นเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ได้พบกับความสุขภายในใจแล้วจะเบื่อกับความสุขต่างๆที่มีอยู่ เพราะนอกจากเป็นความสุขที่ไม่มีคุณภาพแล้วยังเป็นความทุกข์ด้วยเวลาที่ต้องสูญเสียเงินทองไปเวลาต้องสูญเสียตาแหน่งไปเวลาต้องสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นเวลาของความทุกข์ของความเศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากการเจริญสติ ทำใจให้สงบนี้จะไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะให้จะป้องกันไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจจะทําลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุที่จะฉุดลากใจของเราให้ไปเวียนว่ายตายเกิดพอเราได้ สมาธินี้แล้วเราก็ถือว่าได้สัมมาสมาธิองค์ประกอบองค์ที่แปดนี่คือมรรคที่มีแปดองค์ด้วยกันถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะเข้าสู่ความสุขของพระนิพพานเราก็จะหลุดพ้นจากวัตตะเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาสูญเสียสิ่งที่เรารัก สูญเสียบุคคลที่เรารับไปแต่การไม่มาเกิดนี้เราไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้มันเป็นกองทุกกองไฟนั่นเองเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนกับเดินออกจากกองไฟทท่านั้นผู้ที่เดินออกจากกองไฟก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังเป็นมนุษย์ร่างขนเหมือนอยู่ เหมือนกับที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นมนุษย์ล่องหนที่มาควบคุมร่างกายมาสั่งร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองตันหาความอยากของเราเท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปถ้าเรายังมีตันหาความอยากอยู่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ ไปจับจองร่างกายที่อยู่ในท้องของแม่เราต่อไปแล้วก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติตามมรรคแปดได้จนกว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปะความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตามกตมมารกระทำที่ถูกต้อง สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิโวมีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมมีความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติมีการระลึกรู้อยู่อย่างถูกต้องและสัมมาสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่ในความสุขของพระนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจะเินมากแ8ดอยู่ได้เรื่อยให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ให้กลัวบาปให้รักการกระทาทาบุญแล้วก็มันชำระกิเลสตัณหาอย่าทำตามความโลภความโกรธความหลง อย่าทำตามความอยากแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อยๆทีละเล็กทท่ะน้อยอย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาเจริญมรรคแปดคือมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วญาติโยมก็คิดไปในทางที่ถูกต้องคิดมาทาบุญคิดมารักษาศีล คิดมาจะไปหวงมันไปครอบครองไปเป็นทาสไปเป็นคนปกป้องรักษามันนะปัญญาและอริยาศาศาสัจสี่มันก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปรักษามันไปปกป้องมันก็แสดงว่าเรายัางเรายัางมีตัณหามีกิเลสอยังมีความรักยังมีความอยากในตัวมันอยอะมันก็จะย้อนพลิกกลับมา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 ก็ไม่มีพระเจา้าสามเดือนก็ไปถึงเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีพระอาหารหันต์มาสอนนี่ยากยากที่จะเข้าสู่กระแสดได้จะได้ก็แค่ขั้นชานที่เป็นง่ายขั้นง่ายการเข้าชานี่ง่ายมากขอให้มีสติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองขอให้มีพุโทโธอย่างต่อเนื่องนี้ก็เข้าไปได้แล้ว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 ข่รรานสกิดาคามียขั้นอนาคามียก็ใช้เครื่องมืออย่างไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าได้ศึกษามาก่อนก็พอจะรู้แนวทางเช่นศรรึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้เนืนจากที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์กันแต่ถ้าไม่มีคนนำทางเราจะรู้หรือว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนรถยนต์อยู่ตรงไหนเราจะไม่มีวันรู้ได้ชั้นใดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา เราจะไม่มีวันรู้วิธีที่เราจะออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่มีวันรู้วิธีที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้แต่ชาตินี้เรามีบุญมีวาสนาเหมือนถูกลตัตเตะรางวัลที่หนึ่งเราได้เจอพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักทางที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ไปถึงพระนิพพานถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเดินตามที่พระเจ้าบอกให้เราเดินเราก็จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่ น, นอนดังนั้นเราจึงอย่าปล่อยโอกาสอันวิเศษนี้ให้หลุดมือไปเพราะนานๆจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดข้าวหน้า ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าอีกต่อไปไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบผู้จะนำทางให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัทธาที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสุดอย่างสุดสุดเลยเคยยอมพลีชีพเพื่อทำเลย ถ้าผู้ใดยอมผลีชีพผู้ทำแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ได้รับผลนั้นก็เป็นผู้ที่ยอมตายกันแล้วทั้งนั้นถึงจะได้ผลกันเพราะถ้าไม่ยอมตายแล้วความกลัวตายนี้ก็จะทำให้ไม่กล้าปฏิบัติไม่กล้าไปอยู่ในป่าในเขาเพราะการจะทำใจให้สงบการจะทำใจให้ไม่มีความทุกนี้ จำเป็นต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากคนที่คอยก่อกวนคอยสร้างความวุ่นวายใจผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจึงต้องออกไปอยู่ในป่าในเขาออกไปบวชเป็นพระกันถ้ามีความกล้าหาญยอมตายไม่กลัวตายไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็จะกลายเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมา อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันกับพระสุปฏิปโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ยอมตายแล้วท่านถึงกล้าไปอยู่ในป่าในเขาตามลําพังท่านจึงได้กลายเป็นพระอารหันต์ให้เป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็จะสามารถมีที่พึ่งของเราเองได้ ถ้าเราพรียอมเสียชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมถ้าเรายอมแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญนักที่มีองค์แบบนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณ า, าและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด<ม>เพื่อการเข้าสู่